อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็นำรายการธรรมารับปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เมื่อเปิดสถานีก็อย่างที่เป็นที่ทราบกันและค่ะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์แรม7จ็ดค่ำเดือน10ปีมะโรงนะคะอย่างที่ทราบกันแล้วว่าทุกๆเสาร์อาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงของการสากรชาหรือสนทนาธรรมะ ซึ่งตัวดิ๋ยฉันเองก็จะได้มีโอกาสที่จะมาสนทนาพูดคุยซักถามท่านพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุนโนองค์ปาถกประจํารายการธรรมรารบรุลช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์สําหรับในช่วงเข้าพรรษานี้นะคะท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีเรนต์ตามพุทธโอษขององค์พระศามาสมุทิเจ้าซึ่งจัดให้ผู้ศึกษาชนิกชนทั่วประเทศที่สนใจจะไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ฝึกสมาธิ ทำความเพียรต่างๆที่วัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีนี่เป็นประจําเดือนละหนึ่งครั้งโดยที่ฟรีเลยนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสําหรับวัดป่าดอนหโศกนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลถึงจังหวัดอุดรธานีนะคะแต่ก็มีอบรรดาลูกศิษย์ลูกหานั้นศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหโศกรวมทั้งพระอาจารย์ไพบุญณภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสู ด, ด้วยไปปฏิบัติธรรมกันเป็นประจําแล้วก็ เรียกว่าคิวแน่นกันทุกเดือนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายการธรรม ร, รัตน์อยากจะมาะเรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับทราบกันแล้วสำหรับในเช้าวันอาทิตย์ที่เรามาพบกันนี้การที่จะมาสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนช้าวันนี้ทัานก็อยากจะขอนำเรื่องเกี่ยวกับการแก้กรรมเนี่ยมามาสนทนาพูดคุยหรือสักัชากับพระอาจารย์ไพบุอภิปุโนนะคะ เพราะว่าดิฉันคิดว่าตามข่าวคราวต่างๆที่เราได้เห็นมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะไม่ว่าอาจจะเป็นที่นูน่นที่นี่เนี่ยเรามักจะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการแก้กรรมเสมอเลยทีนี้ในทางพุทธศาสนานั้นกรรมที่เรากระทำนั้นเนี่ยสามารถจะแก้ได้จริงหรือลบล้างไปได้จริงหรือช้าวันนี้เราจะมารับทราบคาตอบที่กระจ่าง ตามทางที่องค์พระสัมมาสัพทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้จากพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโญกันนะคะกลับน้ำพิธีการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเชิญปานสาธุเจ้าค่ะเริ่มแรกอย่างที่โยมเกริ่นนะเจ้าค่ะอยากจะนำญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมาฟังพระอาจารย์ไพบุญอุภิพุโญได้พูดถึงเรื่องของการแก้กรร ม, มว่าเป็นจริงหรือไม่มีในพุทธศาสนาไห ม, มทําได้จริงหรือเริ่มต้นโยอมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบุญอภิพุโญได้พูดถึงเรื่องของความหมาย ของคําว่ากรรมนี่ก่อนเจ้าค่ะที่หยบเจ้าก็คือเป็นเรื่องของการกระทำใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ในเกิจากการกระทําของเราเองอเจ้าค่ะโ ด, โดยพุทธวจนะเนี่ยพระเจ้าตรัสว่ากรรมเนี่ยคือเจตนานะเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมอันนั้นคือเจตนาเนี่ยมันมีอยู่ในใจของเราเจตนาเกิดขึ้นที่ใจใช่ไหมพอใจเรามีเจตนาแล้วเราก็ทําการกระทําลงไปนะการกระทําด้วยเจตนาใดๆเนะี่ยอันนั้นคือกรรมนะสมมติเราเดินไปเราต้องการจะฆ่ามดตัวนี้ นะหรือว่าเราต้องการจะให้ทานในสซบาพระอย่างเงี้ยคุณกระทําด้วยเจตนานะอ่าันนั้นเป็นกรรมกรรมดีที่คุณทำนะคุณจะบี้มดตัวนี้คุณจะตบยุงอย่างเงี้ยนะคุณจะตบยุงตบเพี้ยด้วยเอามือเหวี่ยงไปเพื่อจะให้ยุงตายเนี่ยด้วยเจตนานะั้นการกระทํานั้นนะคือกรรมแตนะ่นี้ต้องพูดถึงการกระทําคําว่ากรรมเนี่ยมันจะไม่เหมือนการกระทําจรงิงๆนะคือการกระทําพระเจ้าจะใช้คํ า, นะค ว, าคว่ากิริยาคําว่ากิริยาคําว่าอาเจตนาและคําว่าความเพียรเนี่ย สอย่างนี้มีความหมายต่างกันอยู่เจ้า ค, ค่ะเอาการคาแรกก่อนคือเจตนาเราทราบนะเจตนาตั้งใจที่จะทำสิ่ ง, งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมเจ้า ค, ค่ะแล้วกิริยามันต่างกับเจตนายัางไงนะคือกิริยาบางอย่างเนี่ยแสดงออกไปโดยไม่ได้เจตนานะอย่างเช่นว่าอะไรสมมุติคนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดปา่าดอนไทรศกเนี่ยจะทราบดีช่วงฤดูฝนเนี่ยมันก็จะมีหอยทากอ่ะหอยทากเนี่ยออกมาหาอาหารตอนค่ากลางคืนใช่มเดินเดิ น, ดนไปบางทีก็เหยียบหอยตายนะท้ ง, ท, งที่เราเดินไปเนี่ยเรา มีเจตนาที่มีเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลายเงี้ยนะแล้วเราก็เดินไปเหยียบหอยแปลกแพ้ตายเลยเงี้ยนะะหอยตายไม้ตายนะถามว่าตรงนั้นมีการกระทํามีกิริยาเกิดขึ้นไหมมีการกระทําเกิดขึ้นนะคือมีผัสสะเกิดขึ้นกับหอยหอยเจ็บนะหอยเจ็บแล้วหอยก็ตายด้วยแต่ว่าตรงนั้นเป็นกรรมไหมเราก็ต้องถามว่าคุณมีเจตนาไหมในการทําอย่างนั้นการกระทําที่ปราศจากเจตนาอันนั้นก็จะไม่ใช่กรรมนะเป็นอโหสิกรรมบ้างกันเถอะ กิริยาต้องใช้คําใหม่กิริยาที่ปราศจากเจตนาอันนั้นก็จะเป็นไม่ใช่กรรมแต่กิริยาใดๆที่มีเจตนาด้วยอันนั้นจะเป็นกรรมด้วยเข้าใจนะสมมุติว่าสมมุติฉันทําหน้าอย่างเงี้ยฉันทําหน้าสักอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีเจตนาว่าจะค้อนใครแต่คนอื่นเขามามองว่าเป็นค้อนอย่างเงี้ยเขาตีความไปเองแสดงว่าการกระทําที่ของเราอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นกรรมของเราที่ว่าเราไปค้อนคนอื่น แต่แต่คุณเขาคิดไปเองแดังนั้นอาจจะเป็นกิริยาที่เราแสดงออกแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นใช่ป่ะมันก็แตกต่างกันอยู่เพราะฉะนั้นเจตนาต่างกับกิริยานะส่วนอีกคำหนึ่งคือความเพียรความเพียรคือการที่เราตั้งใจในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนเราได้พูดถึงเรื่องความเพียรไปเมื่อวานเพระะาะฉะนั้น3มอย่างนี้มันจะไม่เหมือนกั น, น, นคือความเพียรเราเราตั้งใจในการที่จะทำํำบางที่เราเราทําความเพียรสักอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่เราไม่ได้เจตนาก็มี ในะอย่างเช่น ว, ว่าคุณนั่งสมาธิเนี่ยเออคุณเราก็ตั้งใจแหละนะจะนั่งสมาธิมีเจตนาอยู่แต่บางทีมันนั่งสมาธิไปแล้วจนกระทั่งไอ้เจตนาที่เราจะทำเนี่ยมันดับไปก็มีนะมันก็เป็นแค่ศัพว่าการกระทําก็มีน ะ, ะนะเพราะฉะนั้นการาเจตนาความเพียรแล้วก็กิริยาเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่มาต้องการจะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าการกระทําเพราะว่าบางทีมันบางคนเข้าใจสับสนกันอยู่ออืืก็จะใช้คําว่าเจตนา นะความเพียรแล้วก็การการะทำนะขอไปเจตนาความเพียรแล้วกีก่ทร่ อ, อยากนะทีนี้เรื่องของกรรมเนี่ยที่ว่าเจตนาเนี่ยนะบางคนจะมีความคิดนะที่เป็นยังไม่ถูกที่เรียกว่ากรรมเนี่ยเกิดจากผู้อื่นบันดาลนะคือถ้าเราพูดถึงการการะทาคือเจตนาเนี่ยนะเราก็จะต้องพูดถึงผลของเจตนานั้นนะคือกรรมกับผลของกรรมนะกรรมกับวิบากของกรรมต้องมาคู่กัน น ก, กรรมกับวิบากใช่ไหมที่เราทําความดีทําความดีเนี่ยเพราะเราผลบังวิบากคือผลนะวิบากคือผลของความดีนั้นให้ผลเป็นสุขอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> อย่างสมุยคืนตือนใจใส่บาตรพระไปถวายภระกระถินอะไรต่างๆเนี่ย <Okay. S 1> ก็เพื่อว่าที่จะให้ผลเป็นความสุขในชีวิตของเราใช่ไหม <Okay. S 1> นะเพราะฉะนั้นผลที่เป็นความสุขนั้นแหละคือเรียกว่าวิบากคือผลนะถ้าเราไปเข้าใจว่ า, าผลที่เกิดขึ้นวิบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของฉันเนี่ยนะ จะเป็นความสุขก็ตามความทุกข์ก็ตามเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้อื่นบรรดาให้นะอย่างเดียวเลยนะอันนี้คุณคิดผิดอยู่ยังคิดไม่ถูกหนะรือว่าถ้าเราเข้าใจไปว่าไอ้ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเนี่ยตัวเองทําตัวฉันเองทําของฉันเองอย่างเดียวเลยนะอันนี้แสดงว่าเขายังคิดไม่ถูกนะแล้วบางคนก็จะมีความคิดว่าไอ้ความสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันเนี่ยเกิดขึ้นลอยลอยนะไม่ได้มีใครมาบรรดาอะไรเกิดขึ้นลอยลอยหรือบางคนก็จะมีความคิดว่าไอ้ความสุขความทุ ก, ทกขีิึ้นนใชวตั มันไม่มีมันโม่ๆ ม, มาไม่ได้มีใครทําอะไรทั้งสิ้นเนะีเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของจริงของจังอะไรสี่อย่างนี้เป็นความคิดที่ยังไม่ถูกต้องนะีคือหมายความว่าถ้าเราเราอยากจะการคิดว่าผู้อื่นบันดาลอย่างเงี้ยเนะีเช่นคุณตนใจหรือใครสักคนใดคนหนึ่งอาจจะคิดว่าโอ้ถ้าเรามีสิ่งสิ่งนี้อยู่ในตัวนะของศักดิ์สิทธิ์สิ่งนีนะ้จะช่วยบันดาลให้ฉันรอดพ้นจากอุบัติเหตุให้ฉันมีความก้าวหน้านในชีวิตการงานเอ๊ ถามว่าไอ้ความก้าวหนะ้าในชีวิตการงาน อ, อุบัติเหตุที่เราจะแคล้วคลาดรอดพ้นออกไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรคือมันเป็นความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจรังมะเจ้าค่ ะ, ะถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราไปคิดว่าผู้อื่นบันดาลให้อย่างเดียวเลยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวฉั้นตามเองเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ผิดนะเจ้าค่ ะ, ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันมันอะไรมันเกิดขึ้นนะคือบางทีความสุขบางอย่างก็เกิดตัวเรา ตัวเราทําเองความสุขบางอย่างความทุกข์บางอย่างก็ผู้อื่นทําให้มันก็มีคลาคล้ากันไปนะเพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่พระเจ้าเน้นเนี่ยก็คืออะไรถ้าเราไปสําคัญแต่ว่าสุขทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นจากผู้อื่นบันดาลแล้วไม่ทําสิ่งที่ควรทําไม่เลิกทําสิ่งที่ไม่ควรทําอันนี้ไม่ถูกต้องนะสิ่งที่ควรทําอะไรนะก็คือกุศลธรรมทั้ง10อย่างกุศลธรรม10ใช่ไหมตั้งแต่การที่ไม่ฆ่าสามีลักทรัพย์สีห่หเนี่ยนะ แล้วก็มีสัมมาวจาีกสามใช่ไหมแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิแล้วก็การที่จะไม่มีความคิดที่ไม่ดีเนี่รวมเป็น10อย่างกุศลกมาบท10บนี่แหละแตถ้าเราไปคิดแต่ว่าเออคนอื่นทําความสุขความทุกข์ให้เราแล้วเราไม่สนใจที่จะละอกุศลไม่สนใจที่จะทำกุศลความเชื่อของคุณอย่างนั้นไม่ถูกต้องค่ะ <Okay. S 1> แต่ถ้าคุณยังพอจะมีความเชื่อลางๆว่าเออผู้อื่นอาจจะบรรดาลความสุขให้เรา ในขณะเดียวกันเราก็ต้องทำกุศล น, นะเราต้องเลิกทำอกุศล น, นะอันนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องนประเด็นที่ต้องการจะเน้นเนี่ยก็คือว่าเออเราจะทำยังไงให้ความเข้าใจเรื่องกรรมของเราถูกต้องซะก่อนนะว่ากรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ใช่ว่าผู้อื่นบันดาลอย่างเดียวนะไม่ใช่ตัวเราเองทำอย่างเดียวนะไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆอย่างเดียวนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีนะตามกระบวนการตามระบบของเขาใช่ไหมเราไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็เกิดเถอะ แต่เราสิ่งที่เราควรจะต้องสนใจก็คือว่าเราจะต้องละสิ่งที่คนละต้องทําสิ่งที่คนรทำนะละสิ่งที่คนละคืออะไรกูศอทั้งหมดละให้หมดทําสิ่งที่คนทํามาคืออะไรกูศอทั้งหมดทำให้หมดถ้าทำอย่างนี้แล้วคุณชื่อว่าคุณเชื่อเรื่องกรรมถูกต้องละนะเจ้ค่ะก็เรียกว่าเดินมาถูกทางแล้วเดินมาถูกทางละเดินมาถูกทางละทีนี้ไ อ, อสิ่งที่เราได้กระทําไปกรรมเนี่ยนะเจตนาต่างๆที่เราผ่านมาแล้วอย่างเงี้ย อย่างสมมติเอเมื่อวานนี้คุณเตือนใจมีจิตตนาทึษจะซื้อกับข้ามาใส่บาตรพระอย่างเงี้ยหรือเมื่อวานนี้คุณเตือนใจมีเจิเตนา ใ, ในการติบตบยุงตัวหนึ่งอย่างเงี้ยถามว่าเจตนาที่ผ่านไปแล้วเมื่อวานนี่ยมันแก้ได้ไหมคือเราจะพูดถึงเรื่องการแก้กรรมละใช่ไหมเจ้าค่ะมันแก้ไม่ได้นะเจ้าคะเพราะมันอ่านไปแล้วเออมันผ่านไปแล้วอ่ะเนาะเออมันผ่านไปแล้วเราจะไปตามว่าเออมันฉันตั้งเจตนาใหม่ค <c oughs> ือมันผ่านไปแล้วมันคือจบไปแล้ว นะเพราะนั้นถ้าเราเราทำได้ทําไปแล้วได้มีเจตนาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรคือผลนะผลของเจตนานั้นมันต้องให้แน่นอนสิ่งอะไรที่ทําไปแล้วมันต้องเกิดผลแน่นอนอนะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดผลแน่นอนฟันธงอ่าคอนเฟิร์มล้านเนปอร์นะว่าสิ่งใดที่คุณทําไปแล้วได้ผลแน่นอนทั้งดีและชั่วใช่ทั้งดีและชั่วได้ผลแน่นอนนะอราจะมาขอฟันธงในที่นี้พอ ได้ผลแน่นอนแล้วเอ๊แล้วชีวิตฉันบางทีมันมีความสุขความทุกข์เราจะแก้ไขยังไงดีล่ะั้งนั้นนับถือศาสน า, าพุทธมันอาจจะไม่ดีนะ ม, นมันแก้ไม่ได้นะแก้กรรมเนี่ยนี่มีเรื่องเล่าให้ฟังไง ค, คือตอนนั้นเนี่ยมีพระมณีคนหนึ่งคืออินเดียเยขาแบ่งเป็นวันณนะใช่ไหยสมัยก่อนนู้นนะเจุ๊กขาแล้วเขาก็มีวรรณะพราหมณีคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเขาก็เรียกว่าพระมณีแล้วนางพระมณีคนนี้ก็แต่งตัวอย่างสวยงามเลยนะดึงดูใจด้วยชุดขาวทั้งหมดผ้าใหม่หมด รว่ามวนผมอย่างดีมีดอกไม้เครื่องบูชาอะไรพนมมือลงไปแล้วไปไหนรู้ไหมเดินลงไปในน้ำํำไ <Okay. S 1> นะปอาบน้ำในแม่น้ําคงคาพุดลุกผุดนั่งผุดไหว่ผุดําพุดหงายอยู่นั่นนะ่ะแล้วก็ขึ้นมานะขึ้นมาตัวเปียกโชกเลยพระเจ้าเดินผ่านมาพอดีว่านางพระมณีเธอทําอะไรนะนางพระมณีก็บอกนี่เป็นวิธีการล้างบาปแก้กรรมในพิธีของพวกรามนางพระมณีก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วของสมณโคโดมมันมีไหม นะพระเจ้าก็เลยตอบให้ว่ามีทําไมจะไม่มีวิธีการล้างบาปแก่กรรมในธรรมะวินัยนี้มีแต่เพื่อท่านถ้าจะพูดให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้มีความมั่นใจซะก่อนว่ า, ากรรมเนี่ยคุณได้รับผลแน่นอนแต่วิธีที่จะล้างแก้ชําระเนี่ยมีอยู่นะทำยังไงในหะลัแรกต้องทําความเข้าใจเรื่องกรรมเราพูยไปแล้วนะว่าเป็นยังไงนะเราทําความเข้าใจเรื่องผลของกรรมด้วยดีกว่าเนาะว่าผลาของกรรมที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย มันจะให้ผลในปัจจุบันก็มีให้ผลในเวลาถัดมาก็มีให้ผลในเวลาถัดมาถัดมาอีกก็มีแต่ถ้ามันให้ผลยังไงมันก็ต้องให้ผลทีนี้ผลที่มันจะให้เนี่ยมันจะมากน้อยไม่เท่ากันนะพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับการที่เอาเกลือก้อนหนึ่งเนี่ยลดผสมลงไปในแก้วนะเอามาชิมดูเอ้มันเค็มไหมแต่ถ้าเอาเกลือขนาดก้อนเท่าเดียวเท่ากันเนี่ยนะไปโยนในลงแม่น้ําเจ้าประยาโอ้โหตอนนี้น้ํามากเหลือเกินผสมลงไปเอ้มันไม่เค็มเลยฮะมันก็จะเพราะว่า ปริมาณน้ําที่มันมากน้อยไม่เท่ากันนะอันนี้เปรียบเทียบกับอะไรคือผลวิบากที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไปทำความชั่วไว้เช่นตบยุงเป็นต้นนะมันต้องให้ผลแน่นอนคุณตนใจนะการฆ่าสัตว์สิ่งที่จะให้ก็คือผลได้ความเป็นอายุสั้นนะทีนี้ผลที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหนักหรือจะเบาล่าแตมันอยู่ที่ว่าเรามีปริมาณน้ํามากหรือปริมาณน้ําน้อยนะเกลือยังไงมันก็เค็มแต่ถ้าเกลือไปละลายน้ําน้อยๆมันต้องเค็มมาก ถ้าเกลือไปละลายน้ำมากๆรสชาติแทบไม่มีแต่เพรา ะ, ะนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือให้มีน้ํามากน้ําเปรียบเทียบกับอะไรน้ำเนี่ยเปรียบเทียบกับบุญกุศลที่เรามีนะบุญกุศลที่เรามีนะถ้า ใ, ในชีวิตของเราเนี่ยใครไม่เคยทําผิดยกมือขึ้นแจะเห็นว่ามไม่มีใครยกมือเลยแล้วมีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นเองพระอาหารหันต์ตอนที่ก่อนเป็นพระอรหันต์ก็ยังมีทําผิดผิดถูกๆ ก, ก, ก็มีนะจนกระทั่งมาเป็นพระรอรหันต์เพราะนั้นถ้าถามว่าเอ๊ะท่านเคยทำความผิดมามมันก็มีอ่ะ ไม่เคยทํา <Okay. S 1> ความชั่วความหยาบความไม่ดีมันก็เป็นโทษของสังสารวัตที่มันต้องมีใครๆก็ม <Okay. S 1> นะีแต่ถ้าเราตั้งใจทํานะอันนี้จะคุณต้องได้รับผลนะถ้าคุณไม่ตั้งใจทํานะอันนั้นคุณจะไม่ได้รับผลนะเราไม่ได้รับผลเรายกไว้ก่อนเราพูดถึงสิ่งที่คุณกังวลว่าคุณจะต้องได้รับผลเช่นว่าเราทําไม่ดีเอาไว้นะผิดศีลเอาไว้ก็บอกเลยว่าคุณต้องได้รับผลนะแต่ผลที่คุณจะได้รับจะมากจะน้อยจะเบาหรือจะหนักอยู่ที่ว่าคุณมีบุญมากหรือคุณมีบุญน้อย ตัวบุญที่เราจะสร้างนี่แหละจะเป็นตัวที่จะมาแก้กรรมให้เราได้นะพระเจ้จาพูดถึงการแก้กรรมในธรรมะปรนนี้คืออะไรนะคือพูดถึงสัมมาทิฏฐิสมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมา ก, กัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวียมามะสัมมาสมติและสมาสมาธินะคือมักแปดนั่นเอง<จ>เป็นวิธีการล้างแก้กรรมล้างบาปแก้กรรมทําความสะอาดจิตให้ถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจด อ่าเพราะว่าในมรดแปดเนี่ยนเป็นกระบวนการการสร้างบุญนะคุณเฉินใจ <Okay. S 1> นในมรดแปนี้มีทั้งศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนี้หมดเลยนะมีทั้งการให้ทานการรักษาศีลการเจริญปัญญาซึ่งเป็นทางมาแห่งบุญทั้งสิ้นนะมรดแปตรงนี้พระเจ้าเคยพูดถึงมันเป็นท่อทานแห่งบุญนะนะเป็นที่ไ <Okay. S 1> หลออกแห่งกุศลนํามาซึ่งศกโดยส่วนเดียวนะเพราะฉนั้นถ้าเราจะทําตามมรด8ปดเดินตามมรดมีสัมมาทิฏฐิ นะไม่มีอภิชาความเพ่งเลง็งไม่มีความปยาบาติแล้วเนี่ยนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยคือปริมาณบุญของเราจะเพิ่มแตะนะปริมาณบุญของเราจะเพิ่มแล้วจะเป็นยังไงคือน้ําในจิตของเรามากขึ้นพอน้ําในจิตของเรามากขึ้นเวลาไอ้เกลือนะหรือบาปที่มันจะมาให้ผลเนี่ยมันก็จะเบาความเค็มก็จะลดลงคือเกลือก็เท่าเดิมแต่ความเค็มลดลงเจ้าเราจึงต้องสร้างบุญให้มากนะกระบวนการการสร้างบุญก็คือการเดินตามมรรคแปดนั่นเองอืมเจ้าค่ะ ถ้าพูดแบบพุทธศาสนิาชนหรือว่าคารวาเราทั่วไปนะเจ้าคะถ้าจะเปรียบเนี่ยเกลือก็เหมือนกับสิ่งที่เรากระทำไม่ดีหรือเป็นกรรมชั่วสิ่งที่ไ ม, นะไม่งามนะเจ้าคะ่ะคือเป็นบาปแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนหรือชี้แนะไว้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเนี่ยเปรียบเสมือนเรามีเกลืออยู่เนี่ยเจ้าค่ะ เราต้องพยายามที่จะสร้างสมความดีโดยการปฏิบัติตามอริยมรักมีองค์ดแล้วก็ทำจิตเราให้สะอาด<ช>ก็เหมือนกับเพิ่มจำนวนความดีบุญกุศลในทางดีเหมือนทำให้น้ำซึ่งแต่เดิมเรามีแค่อยู่ในแก้วเนี่ยให้กลายเป็นแม่น้ำเป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ<ช>ไอความชั่วมันก็เลยหมายถึงว่ามันยังอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่ามันไม่เกิดผลเพราะว่าความดีเรามาท่วม ไปหมดถูกต้องไหมเจ้าค่ะทำให้คิดว่าเป็นเหมือนกับไม่ืีทางแห่งการแก้กรรมแต่ความจริงแล้วก็คือพยายามทําความดีให้มากกว่าความชั่วที่เราทํามาก่อนถูกไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะเจ้าค่ะถ้าเรายังอยู่ในสังสารวัตรเนี่ยนะมันมีดีชั่วขึ้นลงซ้ายขวามันมีหมดคนที่ทําดีล้วนๆเนี่ยมันก็มีจิตใจชั่วบาปมันก็อาจจะมีบ้างเนี่ยมันก็จะให้ผลเราก็ต้องสร้างความดีให้มันมากขึ้นทันทีเอาน้ําดีไล่น้ําเสีย นะเความดีไล่ความชั่วนะเราก็จะเป็นกระบวนการที่ถูกต้องนะคือคนอื่นจะมาบันดาลให้เราก ร, รมนี้หายปายมันไม่ได้หรอกนะแล้วกรรมเนี่ยมันเป็นระบบที่ให้ผลกันอย่างมากคือหมายว่ามันจะต้องให้ผลแล้วมันก็จะต้องให้ผลแน่นอนหนักเบาเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้เพนะราะฉะนั้นถ้าเรามีความคิดว่าเออฉันทำไม่ดีทำอะไรไม่ถูกไว้เราต้องการแก้ใช่ไมคุณเข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกต้องก่อนนะ นะคือบางคนเข้าใจคิดว่าคุณอื่นบันดาลให้ตลอดนะอันนี้คือคุณจะเข้าใจไม่ถูกแล้วแตนะ่คุณมีมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นมิจฉาทิฏฐิมันไม่ได้อยู่ในมรรคแล้ ว, วะนะเพราะนั้นต้องเข้าใจกรรมไม่ถูกก่อนนะคือมีสัมมาทถถถิฏฐิก่อนนะพอมีสัมมาทถถิฏฐิแล้วอ่ะคุณปฏิบัติตามกระบวนการอื่นได้นะมันก็จะเป็นการแก้กรรมที่ถูกต้องนะจะเป็นการแก้กรรมที่ได้ผลอ่า ท, ทีนี้จะขอพูดถึงเรื่องกรรมเก่านิดหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ย มีความมีคําพูดที่ติดปากกันมากเลยว่าชีวิตฉันเป็นเงี้ยเพราะกรรมเก่าฉันมาเรียนหนังสือไม่เก่งก็เพราะกรรมเก่ากรรมเก่าอะไรก็กรรมเก่ากรรมเก่าแล้วก็โทษแต่กรรมเก่าอยู่นั่นน่ะนะนะจนชีวิตนี้อาจจะไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าติดกับกรรมเก่าเนี่ยทีนี้เราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกรรมเก่าซะนิดหนึ่งนะกรรมเก่าที่พุทธเจ้าพูดถึงก็คือว่าคือผัสสะของเรานั่นเองนะผัสสะที่เกิดขึ้นในในตัวเราเนี่ยที่เราได้รับอยู่อย่างเงี้ยนะ อย่างเช่นท่้ฟังฟังเสียงเข้าทางหูเนี่ยก็เป็นภาษาทางหูนะหรือว่าเราไปกินข้าวเสร็จปุ๊บรู้สึกอิ่มขึ้นมาอันนี้ก็เป็นภาษาทางกายนะอย่างเงี้ยภาษาเนี่ยเกิดจากเกิดเพราะว่าเรามีสัมผัสนะมีสัมผัสเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะเป็นลักษณะของกรรมเก่าที่เกิดขึ้นกับตัวเราบุคคลที่มีเรี่ามีบุญมากเนี่ยเราจะดูได้ว่าภาษาที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยก็จะเป็นภาษาที่น่าชอบใจทั้งสิน้น หนะ้าตาก็เป็นสุขหูจมูกลิ้นกายใจมีแต่สิ่งที่เป็นสุขเป็นสุขที่เขาสมมุติกันนะัก็แสดงสว่า ค, คนนี้มีกรรมเก่ามาดีนะส่วนคนที่มีกรรมเก่ามาไม่ดีมีกรรมเก่าที่เป็นทุกข์นะัก็จะเจอผัสสะเช่นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันเป็นทุกข์เอาอยกตัวอย่างบ้านก็ได้อยงบ้านของคนบ้านนอกเนี่ยนะที่มีบุญน้อยวาสนาน้อยเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่บางทีก็ก่อแต่อินบ็อกขึ้นมาแต่ไม่ได้ชา ป, ปูน นะเป็นอ e ิฐบล็อกแล้วก็คือคุณคุณตัวใจคงเคยเห็นนะบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะก่ออ e ิฐบล็อกขึ้นมาแล้วก็ฉาบไม่ได้ฉาบปูนแะตถ้าดีขึ้นมาหน่อยก็จะฉาบปูนหน่อยแต่ไม่ได้ทาสีแตนะถ้าดีขึ้นมาอีกก็ทาสีหน่อยแต่ไม่ได้ติดวอลเปเปอร์แต่ถ้าคนที่ดีจริงๆเลยเนี่ยนะมีบุญมากเนี่ยทั้งทาสีทั้งติดวอลเปเปอร์บางทีกรูฝาขึ้นมาให้มันเป็นผนังมีกันเสียงกันอะไรเนี่ยคือแสดงถึงที่อยู่ความประณี่ของสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเขา นะอย่างบ้านที่เป็นเครือข่าบ้านที่เป็นของมหาเศรษฐีเนี่ยนะนะจะเห็นว่ามันโอ้โหเ ล, ลื่อนลุลางการนะสร้างหลายชั้นเหลือเกินอย่างเงี้ยนะแต่บ้านคนบ้านนอกจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนาะทีนี้เรานี่คือพันธาที่เกิดขึ้นนะทีนี้ถ้าเราไปเชื่อแต่ ก, กรรมเก่าอย่างเดียวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเนี่ยเป็นเพราะว่ากรรมเก่าบันดาลนะความคิดนี้เป็นความคิดที่ผิดอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างกรรมใหม่เลยเนี่ยนะเอ้เอาจะเอาอะไรมาเป็นกรรมเก่าอ่ะใช่ไหม ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรใหม่เลยเนี่ยมันก็ไม่มีจะไม่มีเก่าเกิดขึ้นแพราะฉะนั้นเราจึงต้องอย่าไปเชื่อกรำเก่าอย่างเดียวว่าชีวิตชั้นนี้สุขทุกข์เพราะกำเก่าบันดาลอย่างเดียวอันนี้เป็นความคิดที่ผิดอย่างพุทธเจ้าบอกผิดเลยนะเป็นมิจฉาทิฐินะสิ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือว่าเราสร้างกุศลเราละอกุศลนะคือเพราะว่าบางคนเนี่ยไปติดยึดจับยึดอย่างแน่นเลยว่ากรำเก่าอย่างเดียวเท่านั้นนะตัวเองเลยไม่ได้สร้างบุญกุศลใหม่ไม่ได้ละสิ่งที่ควรละไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทํา นะแต่ถ้าเราไม่ได้เชื่ออย่างนั้นนะเราเชื่อว่ า, เ, าเราควรละสิ่งที่ควรละเราควรทำสิ่งที่ควรทำอันนี้เป็นการสร้างกรรมใหม่ละนะชีวิตของเราก็จะค่อยดีขึ้นนะมากน้อยหรือว่าจะให้ผลมันก็ตามระยะเวลาตามกระบวนการของเขานะแต่ให้มีความมั่นใจว่ามันมีแน่นอนมันได้ผลแน่นอนนะ เจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์เตือนสติให้ว่าสำหรับคนที่ตอนนี้อาจจะมีชีวิตที่ไม่ราบรื่นนะเจ้าคะหรือบางคนอาจจะมีทุกมีอะไระก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่าไปทอดอะไรว่าเป็นเรื่องของกรรมเก่าดังนั้นเราก็ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมไปอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะแต่ว่าเราจะต้องตั้งจิตที่ว่าจะทำปัจจุบันคือทำความเพียรหมั่นสร้างคุณงามความดี นาเจ้าคะเดินอยู่ในทางที่องค์ร萨 ส, าาสมทูตเจ้าได้ชี้แนะแล้วดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราเนี่ยกำลังสร้างน้ําดีคือให้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มพูนในชีวิตเราชีวิตเราก็จะดีขึ้นถูกไหมเจ้าคะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะแล้วการสร้างกรรมตรงนี้นะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันคือบุญนะบุญเนี่ยเป็นวัตถุ ด, ดิบนะคือสมมุติเราจะมีผัสสะที่ดีๆใช่ไหมเราบอกว่าเราต้องการสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยมีบ้านดีๆมีรถหรูๆใช้มีเงินมากๆในกระเป๋านี่คือผัสสะทั้งสิ้นเลยนะ ภาษาที่มาทางตหูจมูลิงนกายใจภาษานี้เป็นภาษาที่ทําให้คุณได้ผลเป็นความสุขนะไล่เปทีละขั้นตอนคุณต้องการสุขใช่ไ้ยคุณต้องมีภาษาที่ดีนะภาษาที่ดีมาจากอะไรภาษาที่ดีก็คือกรรมเก่ากรรมเก่าที่ดีมาจากอะไรคุณต้องมีบุญเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบของการที่เป็นภาษาที่ดีนะบาปเป็นวัตถุดิบของความที่มีภาษาที่ไม่น่าพอใจนะ เพราะนั้นถ้าเราสร้างบาปเราก็จะได้ภัสสะที่ไม่น่าพอใจเป็นวัตถุดิบของกันและกันนะถามว่าผัสสะที่ไม่น่าพอใจนี่จะมาในรูปไหนได้บ้างนะมันไม่ออกทางตัวคุณก็ตามมันอาจจะไปออกทางโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ออกทางโรคภัยไข้เจ็บอาจจะไปตอกในสิ่งที่คุณรักนะสิ่งที่คุณรักอาจจะเช่นลูกเช่นบ้านนะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในขณะที่ถ้าเรามีบุญนะบุญจะให้ผลเป็นความสุขนะพุทเจ้าว่าอย่างนี้บุญให้ผลเป็นความสุขทางอะไรทางภัสสะไงผัสสะมีอะไรบ้าง เช่นมีบ้านมีรถลูกที่เรารักสอบผ่านได้งานดีสิ่งที่เรารักเราชอบใจได้มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในสิ่งนั้นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภาษาที่ดีๆที่แฝงมาทั้งสิ้นเลยเจ้าคระเจ้าเคยยกตัวอย่างนะคุณตนใจคุณตนใจเคยปลูกต้นไม้ใช่ไหมเจ้าค่ะเวลารดน้ําเรารดน้ําที่ไหนรดน้ำที่โคนมันเจ้าค่ะที่รากที่โคนมันจู่ะเวลาเราไปกินผลมันอย่างมะม่วงเนี้ยผลไปออกที่ไหนไปออกที่ต้นข้างบนต้นข้างบนไม่ออกที่รากนะ นะพูดถึงม่วงนะเช่นเดียวกันเวลาเราสร้างบุญอ่ะเราสร้างบุญเราทําบุญให้มากนะทานศีลสมาธิปัญญาไม่เว้นไม่ขาดละอกุศลเจริญกุศลนะแต่สิ่งที่ออกบางทีมันไปออกกับลูกบางทีมันไปออกกับงานบางทีมันไปออกกับกิจการสักอย่างใดอย่างหนึ่งในสิ่งที่เรารักมันแปลงรูปออกมาเป็นภัตตาที่เกิดขึ้นกับเราให้ผลเป็นความสุขมันแปลงมาเป็นอย่างนี้นะถามว่ากระบวนการสุดการเปลี่ยนแปลงของมันโอ้โหอย่าไปคิดเลยเป็นเรื่องอาชินตจ นะมีผู้เช้าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพยากรได้นะความสามารถาอาตมาไม่ถึงนะเราไม่สามารถจะฟันธงได้มากกว่านี้แล้วว่ามันจะออกมาเป็นรูปไหนการพัดเพียนสมการของมันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันต้องให้ผลแน่นะถ้าเราสร้างกำดีสร้างกำดีสร้างกำดีกมดีหมายถึงการกระทำของเรานะนะต้องให้ผลเป็นความสุขมาทางพรรษาแน่นอนนะให้มัน่นใจอย่างนี้ เจ้าค่ะดังนั้นสรุปได้ว่าสําหรับในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเรื่องของการแก้กรรมนะ่ยมีจริงแต่ว่าจะต้องเป็นทางที่พระอาจารย์ภพยบุญอภิพุโนโได้สากฉามาแล้วถูกไหมเจ้าค่ะนั่ือแปดมาแล้เจ้าค่ะเดินตามอริยมรตมีองค์แปดแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะเจ้าค่ะนั่นคือการแก้กรรมของเราเหมือนกับอาทำให้มีน้ําดีเข้ามาให้เป็นแม่น้ําเจ้าพยา ใหญ่ให้ได้เพื่อว่าเกลือที่เราทำผิดไว้หรือทำไม่ดีนั้นน่มันจะได้ไม่ออกรถเค็มค<ช>ือไม่มีผลกระทบกับเรานะเจ้าคะ<ช>นั่นคือการแก้กรรมที่ถูกต้องตามพุทธศาสนาแล้วเจ้าคอะ อนนี้สำหรับในเรื่องที่โยมจะเรียนถามจากนี้ไปอยากให้พระอาจารย์อภัยุญอภิปุโนนะเจ้าคะเมตตาให้แง่ายคิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านโยมคิดว่ามีอีกเป็นจํานวนมากที่ยังหลงเชื่อนะเจ้าค่ะในเรื่องที่เกี่ยวอาจจะมีคนบอกว่าต้องแก้กรรมทําอย่างงู้นอย่างนี้อะไรต่างๆมีพิธีกรรมอะไรต่างๆอนอนในโรงใช่ไหมเอาผ้าขาวม า, า, าคุมาาไปไหว้นนพระกี่วัดกี่วัดอะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ให้แง่คิดนิดเถิดเจ้าค่ะตอนที่ท้ายรายการเราตอบได้เลยตรงนี้ว่าถ้ามันอยู่ในเรื่องของมรรคแป นะคุณก็ทําได้นะ <Okay. S 1> คือถ้ามันไม่อยู่นอกเรื่องของมรแปดใ น, นคุณก็อย่าไปทําคือคุณทําแล้ว <Okay. S 1> คุณจะไม่ได้ผลนะคือคือทำเนี่ยมันทําได้ทุกอย่างนะคุณจะไปเอาผงอันนี้มาผสมกับผงอันนี้ลอยขึ้นไปในอากาศคิดว่ามันจะแก้ได้คือคุณทําได้ทุกอย่างแต่ว่ามันจะไม่ได้ผลนะสิ่งที่ได้ผลจริงๆพระพุทาตรัสไปแล้วนั่นคือตามเรียมรมีมรแปดการกระทําะไๆก็ตามที่ใครแนะนํามาถ้ามันสอดคล้องกับมรแปดคุณก็ทําไป <Okay. S 1> นะคื อ, ค, อคือรูปแบบของการกระทำเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะคุณใจ บางคนบอกไปไหว้พระก้าววัดไปไหว้พระก้าวัดถ้า so คุณยังไปขออยู่ยังเข้าใจเรื่องกรรมไม่ถูกต้องคุณก็มันก็จะไม่ได้ผลแต่ถ้าคุณไปไหว้พระก้าวัดด้วยจิตใจที่เป็นกุศลมีการตั้งจิตอธิษฐานที่ถูกต้องตามระบบของกรรมอันนั้นจะได้ผลเจ้าคือการกระทําอย่างเดียวกันด้วยจิตคนละดวงอาจจะได้ผลหรืออาจจะไม่ได้ผลเพราะว่ามรรคแปดมันอยู่ที่ไหนล่ะมันอยู่ในใจใจช่เพราะฉะนั้นถ้าใจของเขาทําได้ตามมรรคแปดด้วยกิริยาอะไรมันได้ผลน่ะเจ้าคอะ เพระเจตนาของคุณให้ถูกต้องกิริยาจะเป็น<จ>ยังไงก็แล้วแต่สมัยเจ้าค่ะก็คือว่าใครก็ตามที่แนะนําให้เราในเรื่องของการแก้กรรมนั้นก็ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าสิ่งที่เขาแนะนํานั้นถ้าหากว่าให้สร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะ อ, อยู่ในแนวทางของ อาริยมรักมีองค์แปดอยู่ในศีลในธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราทำตามได้นะเจ้าค่ะใช่ใช่เจ้าค่ะเจ้าค่นะก็ท่านผู้ฟังคะเราได้รับความกระจ่างกันแล้วนะคะจากพระอาจารย์พัยบุญอภิปุโนพระอาจารย์พุ่มโดยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเล้นตามพุทธปัจนะหรือพุทธโอษขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของวัดป่าดอนหายโศก ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล น, น, นอนไหสุกอำเภอหนองห า, จากกนจังหวัดอุดรธานีค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้เราพูดคุยกันเรื่องของกรรมและการแก้กรรมที่ถูกต้องตามที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงชี้แนะไว้นั้นเป็นอย่างไรบ้างดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าทําให้ทั้งั่งทางบ้านหลายท่านมีความกระจ่างแล้วก็หูตาสว่างขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็คิดว่าหลายท่านเช่นเดียวกันอาจจะมีความตั้งใจแล้วละว่าเราจะพยายาม นำน้ำหรือสิ่งที่ดีงามที่เป็นบุญเป็นกุศลปฏิบัติตามธรรมอริยมรรต์ต่างๆนั้นเนี่ยเข้ามาในชีวิตของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ดังนั้นก็จะคงจะทำให้เราเกิดความสุขความเจริญนึกคิดสิ่งใดก็คงจะสมความปรารถนาของเราต่อไปอยู่ที่การตั้งจิตและการทำจิตอธิษฐานว่า เมื่ออธิษฐานแล้วเราต้องดําเนินการไปตามที่พุทธองค์ได้ทรงตรัสไปด้วยนะคะค่ะท่านผู้ฟังค่ะถึงเวลาเราจะต้องลากันแล้วละคะ่ะคิดว่าจะได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงของการสากักกาหรือสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนะพระอาจารย์ของเราอีกในสัปดาห์หน้านะคะเสาร์อาทิตย์หน้าตอนตีห้าถครึ่งเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสากักกาในรายการธรรมาราบุญค่ะสําหรับเช้าวันนี้ก็มากราบนมัส ก, การขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบขอ พอบคุณและกราบนมัส ก, การลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเต็มบานสาธุเจ้าค่ะ